ปฏิบัติอาจทำตามเร็นจริงยิ้มมันสําคัญไหมว่าหญิงหรืชายเกิดกําหนักเกิดวินวิเกิดติดข้อเพราะว่ายิ้มไเข้าใจตามเป็จริงการที่โยนนาฬายาของตัวเพื่อถึงเท่านั้นตอ้ทั่วไปในโลกมนว่าอดีตอนาคตเพราะปัจจุบันเราเห็นตัวของเราเป็นอย่างนั้นแต่ตอนที่เรายังไม่เกิดมาต้องเคยเกิดมาก่อน ทำนองเดียวกันหรือมีอะไรที่เกิดผิดแปกแตกต่างกันตัวถึงขัดถ้นขัน เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมะเพื่อเป็นแสงสว่างสอนทางของจิตเพื่อให้ พวกเฝ้าองค์สว่างสัพพะปาปะะจารนังคุณสารสู ป, ปะสัมปะทาใสจิษาประโยธาปะนังเอตังพุทธานาสาสะนงังนี่คือคำตั้งสอนของพระพุทธเจ้า Papá เราไม่ใ่แบบ caras ทางรถไฟขา ใจของเราหัวใจของเราในธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเกิดเห็นเด่นชัดขึ้นจากการประปฏิบัติของตัวนี่คือการปฏิบัติมุฌาพระพุทธเจ้าที่ที่ประปฏิบัติเข้าใจเนชัดอย่างนั้นท่านเองจะมีความสุขมีความสงบมีความเยน ันยืนเหนห่อเลืองใส that uh -huh. ดอกไม้ทุกชนเราเคยดูชาแต่ระยะที่เรา So uh -huh. เิดยี่สิบาสิทธิ์ของเรารวมๆสงบสงัดเนี่ยเราเห็นเราเป็นในตัวของเราเขาจะว่าศาสนาผ่านมาระยะยาวนาเส่วนไปแล้วหมดไปแล้วโซดาไปดูคาคาทหัรนับฝนที่ทานอะไรนี่เราจะไม่เชื่อตามลมปากของเขาพราเราเห็นเราเป็นอยู่ในตัวของเราขอเพื่อปฏิบัติจะรับความสงบสงัด อาจจากที่เหนตนหปัญหาส่อระยะทางสั้นก็มีอาวุธที่จะขี่รถหกกร ปฏิบัติเมื่อทุกทั้นได้ระดับรับฟังทำคำสอนของทุกเจ้า